เพืภิกษุสมณี น, นผู้ที่จะออกไปทําธุระหน้าที่นี่ว่าการเาผยแพร่คําสอนของพระเจ้าและพร้อมกันนั้นญาติโยมผู้ที่มาทําบุญมาให้ทานวันนี้เนี่ว่ามาบํารุงพระภิกษุสมณี น, นผู้ที่จะออกไปทําธุระหน้าที่ประกาศสัจธรรมคําสอนของพระเจ้านั่นก็ต้องตั้งใจฟังเช่นเดียวกัน ดังนั้นคนเราทุกๆคนเกิดมาในโลกนี้บ่มีผู้ใดทั้งเมดจะเป็นผู้น้อยก่อตามผู้ใหญ่ก็าตามจะเป็นพระภิกษุสมณีก็าตามจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวถือศาสนาใดก็าตามนุ่งผ้าสีอันใดก็าตามทุกคนหมดต้องการความทุก เปียทุกลักควมบ่มีทุกแต่ควมทุกนั่นมันไลหลเข้ามาเมื่อพูดมาเช่นนี้แล้วที่พวกเราได้มาสัมมนากันอยู่ที่นี้เป็นเวลาสี่วันห้าวันผ่านไปแล้วเมื่อนี้เป็นวันที่หกจะได้ออกไปทําการเผยแพร่เพราะตกลงกันแล้วก็ออกไปทําการเผยแพร่ตามหน้าที่ของเรา ก้อนที่จะไปเผยแผ่นั้นเราต้องไปสี่อแจงให้ญาโยมเข้าใจว่าลัทธิศาสนากับพุทธศาสนานั้นมันตั้งกันอย่างไดเราได้สี่อแจงอย่างนี้ให้พระเจ้าฟังคําว่าศาสนานั้นเราเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพเจ้าทั้งหมดอันนั้นเป็นการเข้าใจถูกน้อยอยังโบถึงร้อยเปอร์เซ็นฉะนั้นการฟังนั้นต้องตั้งใจฟังแม้ เพื่อนภิกษุสมณีก็ต้องตั้งใจฟังญาติโยมมาทำบุญวันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วจะไม่ได้ยินเลยหรือว่าไม่เข้าใจในคำพูดนั้นๆสมมุติว่าเมือนน่กำลังแสงพระอาทิตย์ซ่องเข้ามาในลมไม้ที่หขานั่งอยู่นี้เมื่อแสงพระอาทิตย์มีอย่างนี้แล้วดอกไม้ทุกประเภทจะเป็นดอกสีขาวสีดำสีแดงสีซีวสีมุยก็าตาม ท่านผู้รู้ว่าดอกบัวคอยรับแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั้นสามารถที่จะบานได้ทุกดอกว่าท่นดังนั้นคำสอนของพระเจ้านั้นที่อาตมาจะนามาเล่าให้ฟังวันนี้สามารถที่จะทำให้จิตใจของคนทุกคนที่ผู้ตั้งใจฟังและผู้มีสติปัญญาฟังดีสามารถที่จะทำให้ตัวของเราได้รับแสงพรอาทิตย์ คลายคลาคือกันนั้นว่าสามารถที่จะทําให้เบิกบานได้ดอกไม้ทุกดอกสามารถที่จะบานได้ทุกดอกและคนทุกคนสามารถที่จะทําได้คําว่าศาสนานั้นมันมีหลายศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาคิดศาสนาอิสลามมหามัตหรือศาสนาเซนศาสนาใดก็มีมคําว่าศาสนานึ่งหมายถึงคําสอนของท่านพูล ผู้ที่รู้นั้นสอนให้คนละซัวทำดีอันนั้นเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมวัฒนธรร ม, รมเป็นเพียงศาสนาศีลธรมรมบ๊อบแมงศาสน า, าพุทธบอ๊อบแมงพุท ธ, ธาศาสนาบอ๊อบแมงคำสอนของพระฤาษี<ม>พุท ธ, ธาศาสนานั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งพุท ธ, ธาศาสนาพุท ธ, ธแต่ผู้รู้ธธรผู้แจ้งผู้เห็นจริงนะพุทธศาสนาแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ดังนั้นาศาสนากับพุทธศาสนาจึงตั้งกันอย่ันติเม <c oughs> ื่อพูดอย่างนี้แล้วเพื่อนพิสู <c oughs> สุน์สมเนรและญาติโยมผู้ที่มาทําบุญฟังแล้วต้องพิจารณาในสมัยเมื่อเจ้าทายสิทธาคุมารของเราที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระเจ้านี้เมื <c oughs> ่อเกิดขึ้นมาก็มีอยู่แล้วศาสนามีการทําบุญมีการให้ทานมีการรักษาศิล ที่สุดมีการทำสมถากรรมาฐานจนได้รูปประสานอารูปสารได้สม บ, บัติแปดมีอยู่แล้วเฮาเคยได้ยินบ่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ออกไปสมสวนดอกไม้หรือพาบริวารไปเที่ยวรอบๆสมสาดอกไม้สมสาปูสาตานะเห็นเพศสมณะองค์หนึง่งเนี่ยสมณะเพศกระมายถึงนักบวชมียยก่อนแล้ว อันนี้ให้เข้าใจว่ามีก้อนแล้วพวกนี้ก็เป็นผู้สแสวงหาโมฆธรรมอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พระเบญเจ้าจึงหน่เห็นว่าโอ้นักบวชนี่เป็นผู้ที่โบได้มีภาระมากหนึ่งกินข้าวของญาติโยมกับบได้ซื้อสองเข้าโรงพยาบาลกันเจ้ากับบได้เก็บเอาเงินเอาทองฉังนั้นเพื่อนภิกษุสมณีนผู้ที่ทำธุระหน้าที่นั้นจึงต้องตั้งใจทา ให้มันได้สมเหตุสมผลกับที่เรามาบวชเป็นสมณาเพจนี้เราจะเห็นได้งา่ายๆพวกเราสาวพุทธว่าเราเป็นสาวพุทธทำบุญให้ทานเราก็ได้คำหนึ่งถึงคำสอนของพระเจ้าจำนวนนี้ขึ้นมาบัด น, นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เขามาประสมกันในจังวัดจะเอาพระส่งจำนวนนี้เราออกไปทำงานเผยแร่ให้เราความจริงต่อยาโยมเพื่อให้เข้าถึง ญาติโยมผู้ที่ไม่ได้มาก็ให้ได้ยินได้ฟังผู้ที่มาแล้วในขณะนี้ต้องฟังต้องฟังฟังแล้วให้จดจำได้นำไปเล่าสู่ผู้ที่บุคคลบ่ได้มาที่นี้ฟังอีกตึมคำว่าศาสนานั้นเป็นเพียงคำสอนของท่านภูรูสอนให้ละซัวทาดีอันนั้นเป็นเพียงศาสน า, าเท่านั้นพุทธศาสนานั้นเป็นผู้เห็นแจ้งรู้จริงศาสนานั้น หมายถึงทั่วไปอาเมื่อเว้าศาสนาแล้วก็ต้องว่าศาสนากันอีกเติมเพิหนึง่งศาสนาพาหมณ์สอนให้ดูลึกดูยามลึกดียามดีให้เขาจะให้เขาเข้าใจว่าอันนั้นเป็นศาสนาพาหมศาสนาผีแบบนี้ให้เขาเข้าใจว่าเขาไหว้ผีเขาบวงสวงผีเขาย่านผีเขาไปทําผิดอะไรอันนึ่งแล้วให้ผีอุญาตให้เขาจะสุดเขียนสุดตีผมเถอะ ยัดซุมมาให้ผมเจ็บหัวปวดท้องเธอให้อภัยผมเธอนนเนี่ยเขาไปไหว้วนธีเขาย่านผีอันนั้นเรียกว่าศาสน า, สาธีศาสนาเทวดาบ่าเนี่ยเขาจีฮห้อย่างไปอยังต้องไหว้รอนบวงส่วงเทวดาเพราะย่านเทวดาลงโทษเขาเขาต้องไปทำผิดอะไดอันนึงแล้วต้องขอขมาโทษจากเทวดาให้เทวดาให้อภัยโทษแก่เขาอันนั้นเป็นศาสนาเทวดา ก็ดีอยู่แล้วศาสนาประเภทนั้นดีอยู่แล้วมันเป็นเพียงศีลธรรมเท่านั้นบุญเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นลึกลับกว่า น, นอีกเติมดังนั้นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลการทําสมถะกรรมฐานนั้นจึงว่ามีก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าอย่างมุทเทนตัตสุเป็นพระรหัต์เขาจะเห็นได้ไง่ายๆอย่างที่ผมหรืออาตมาจะนํามาเล่าให้ฟังเมื่อนี้ แล้วก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อจดจํานําไปเบ้าต้อบุคคลผู้ที่บบได้มานั้นให้ขาเจ้าเข้าใจเจ้าทายศิษฐกุมารของเราที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชออกไปเขามีกันอยู่แล้วเรื่องธรรมสมถกรรมฐานนักบวชซื่อวา่าลือศีศีไผมจําพวกนั้นพระพุทธเจ้าของเราขาวนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเธอ บวชแล้วก็ไปศึกษากับอาจารย์สองอาจารย์ผู้ที่มีสื่อเสียงที่คนเขาลดนับถือยกย่องว่ามีความรู้เสี่ยวสารในการทางธรรมธุระทางพ้นทุกข์ให้วัตถุไปเรียว่าทางพ้นทุกข์ที่เขาต้องการทางพ้นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไปศึกษาอยู่กับอาจารย์คนแรกชื่อว่าอาลาดาบุตรได้สมาบัติเ็ด สมบัญญัตินั้นเรียกว่ารูประสานซีลูกประสานสามเมื่อครูบาอาจารย์สอนให้แล้วทำคลองแพร้วว่องไวลได้กับเหมือนอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบัดนี้พระองค์มาคํานึงคํานวณแต่เมื่อเป็นพระมหากษัตริย์มีผู้ให้ความบํารุงบําเลสนุกสนานหรือบางครั้งบางค่าวก็พอใจบางครั้งบางข่าวก็บม่พอใจแล้วความพอใจบม่พอใจด้วยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม แอทางนี้คงจะไม่เป็นทางพ้นทุกเพราะอาจารย์ก็สอนหมดความรู้แล้วฉันก็เลยลาอาจารย์ออกไปไปเรียนต่อองค์ที่สองเมื่อไปเรียนคนที่สองนี่แหละได้สมมาบัตเตะซึ่งว่ารูปสารซีอรูปภาษาซีอาจารย์คนนี้สอนได้อรูปภาษาสมาบัตเตะพระองค์ของเรากนเรียนมีความรู้เสี่ยวสารสำนิษฐ์สำนานได้คล่องแคลวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์ แนี่มาคำหนึงคำนวณถึงเมื่อเป็นอดีต ท, ที่เป็นมหากษัตริย์เป็นลาซามีนางสนมมีบริวารให้ความสนุกสนานบำรุงบำเลออยู่และเมื่อมาคิดถึงเส้นนั้นควมพอใจและบ่พอใจก็ยังมียุ่เหมือนเดิมอันนี้กันห่างพลุกพล่านแมนเถื่อยังบทุธแม่นถามทาพทุกเถื่อพระองค์มาคำนวณอย่างนี้แหละก็ถามอาจารย์อาจารย์กระบอกห ม, ดมุดขมลูเท่านี้ และส่วนให้พระองค์นี่นะออประกาศเผยแย่สัจธรรมที่ได้เรียนจากเราไปนี้วันนั้นพระองค์่าพอใจเห็นว่าทางนี้มิไส้ทางฉะนั้นการทำบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาเซนก็ดีการทำสมถะกรรมฐ า, านก็ดีอันนั้นก็เป็นทางที่ดีอยู่แต่เหมือนบ่บเบนทางพทุกอันนี้ยัง่ว่าไม่คาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ซื่อว่ามีก่อนพระพุทธเจ้า ให้เฮาทุกคนเข้าใจว่าอันนี้มีก้อนพระเจ้าเขาซ้อนกันอยู่คนแล้วพระพระเจ้าก็เลยบอบหอใจบอบหอใจก็เลยหนีจากอาจารย์นั้นนีจ้งอาจารย์นั้นมาทําทุกกะกิริยาสามวิธีเป็นวายงสั้ น, นมากั้นลมหายใจมาอดเขาเบบ้าแล้วกับโบปากโเวากับไผ่ทั้งมดัดมาทําทุกกะกิริยาอย่างนี้แหละยู่กันยังโบได้ตัดสลูเป็นพระเจ้า ทำไปโดยที่ว่าคนธรรมดาเราเนี่ยบพรว่าธรรมดาละจะเป็นยุคใดสมัยไหนก็ตามเมื่อบอกินขา้าวกินน้ำตามปกติแล้วเนื้อหนังมันต้องแหวแห้งจ้อยลงเขาเห็นบ่อูกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีตีกร ะ, กะดูกสังสะกบ่มีเนื้อบ่มีหนังไปใสมาใสก็มีความลําบากอลุกขึ้นนั่งลงไปใส้มาใส้ก็เหน็ดเหนื่อย เทศขนาดนั้นแล้วมาเพ่งเลงถึงอดีตเมื่อเป็นมหากษัตริย์เป็นราสาอยู่นะั่นคำหนึงคำนวลถึงนางสนมบริวานมุนั้นมาให้ควมบำรุมบำเรอและเห็นพวกปัญจวัคคีตั้งห้าผู้ที่อุปถัมป์อยู่นั้นบางครั้งบาง ข, า, ง า, งขาก็ตาเห็นบางครั้งบาง ข, า, ง า, งขาก็หูได้ยินบางครั้งบาง ข, า, ง า, งขามันเหม็ดมันหอมก็กินมาเท่าดังมีควมพอใจและบม่พอใจก็ยังมีอยู่ว่าง่ายๆกันนี่แหละ คือข่มโกดข่มโลภข่มหลงก็ยังมียุ่งเหมือนเดิมอันนี้กับยังโบเมนเป็นคําสอนของพระเจ้าอันนี้ก็บื่อว่าอย่างโบเมนทางถูกต้องสม่าทางมิไสทางคําว่าทางมิไสทางนี่เป็นทางที่ดีซื่อๆเด้กโบเมนทางทีดับทุกดับร้อนอย่างพระพุทเจ้านั่นเด้ให้เข้าใจว่าทางมิไสทางมันเป็นอะไรจากนั่นพระ อ, องค์ก็เลยจินมาขามป้อมมากส้มหมอนี่แหละพวกบรรจาวคชีตังห้าเห็นหโอ ท่านคงจะไม่ได้ตัดสรูแล้วกลับมามากๆมีกิเลส ข, ขึ้นแล้วท่านก็เลยหนีพวกนั้นกันนี่พระองค์ของเราก็เดินไปผู้เดียวเดินไปผู้เดียวก็เลยไปพบเอาเข้านางสุสดาไปบวงสวงเทวดาเนี่ยคนมันต้องไหว้บอนเทวดาเอาเข้าไปบวงสวงเทวดาพระองค์ก็ไปเห็นเข้าแห้งแต่ก็บอเห็นดอกแต่คำนวณคำนวณพระองค์ก็ไปเห็นเขาแห้งอันนั้นก็กินเข้าแห้งนั้น ตอนเจ้านางสุดสดาเอาเข้าไปบวงสวงอีกตืมมาเอาไส้ขันไส้ธาตุไส้อย่างไปถาวายเห็นเทวดาก็เห็นพระพุทธเจ้านี่นึกว่าเป็นเทวดาไปอาศัยอยู่ต้นโพธิ์ฮันเลยยกไปถาวายพอดีไปถาวายพระพุทธเจ้าก็ถามนางสุดสดาว่านางจะถาวายแต่เขาหรือหรือว่าธาตุขันบริขันนึกจะถาวายหมดนางก็เลยตอบว่าถาวายทั้งหมดโบอเอาอย่างคืนเมื่อฉัน พระองค์ก็กินเขาอันนั้นอิ่มแล้วก็เลยจับเอาธาตุอันนั้นไปเสี่ยงแม่น้ําเนสลาลื่นในลันซอนเนี่ยอาตมาบุได้เห็นในประเทศอินเดียเพเพียงจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าหากข้าพระเจ้าควงอธิษฐานนะถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสลูปเป็นพระรหันข้ากิเลสตายขายกิเลสหลุดนั้นให้ธาตุหรือขันนี่ทวนกระแสะของน้ําขึ้นไปสมมุติเขาอยู่น้าเลยเนี่ย อยู่บ้านกับเม็ดเพชรเนี่ยให้ธาตุใบนี้ขันใบนี้ทวนกระแสขึ้นไปหายอดน้ําเลยพุ่นเอาฉันถ้าหากยิบฤทธิ์ัตสรู้ยิบฤทธิเป็นพระเจ้านั้นให้ธาตุให้ขันนี่ลอยออกไปตามกระแสของน้นํานี้ออกไปน้ำโขงพุ่นเอาฉันบาดมีหว่างธาตุลงไปธาตุก็ทวนกระแสขึ้นไปหอดน้ําเลยหอดยอดเลยสุดพุ่นแล้แต่หอดหัวกละนาคพุ่นแล้วเดินไปจมลงพุ่นเอาฉันเป็นวาให้ฟังอันนั้นบุต้องเล่าไปดอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องยืดยาว ที่นํามาเล่าให้เพื่อนภิกษุสัมเณรและญาติโยมมาฟังกันมื้อนี้เพื่อทําความเข้าใจกันมื้อนี้เมื่อทําความเข้าใจก็แล้วนําไปว่าให้ลูกให้หลานฟังหรือพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามานั้นหรือวันเรียนมาแล้วมันลืมกระเป็นคนหงเพราะมันไ่ได้เอาใจใส่บางคนอาชิบุกเคยได้ยินจากเทือกกรได้เรื่องอย่างเสียเมื่อวางขันลงไปแล้วขันก็เลยท่วนกระแสของน้าขึ้นไปข้างเหนืออันนั้นมันเป็นเรื่องของปุกกราธิฐาน แต่ทวมเข้าใจของผมเรื่องจมานาํามาไล่ฝัวงนี้พระ อ, องค์ตัดสูเพราะการทําทางจิตทางใจแต่พระ อ, องค์นั้นคงจะมาหวงกับมาโอ้กูนี่ทําพูดคิดไปตามอารมณ์แล้วกูตั้งแต่บัดนี้ไปกูจะโบยอมเอารูปเอากายเอากางเอาขาาเอามือเอาหูเอามากูนี่ทําไปกับอํานาจของกิเลสไฟต่ํากูจะทวนกระแสะของกิเลสไฟต่ํา ตามความคิดของผมเนืออัตมาเข้าใจอย่างซีฉะนั้นพระองค์จึงว่าสอนให้คนรู้จักขันห้ารูปได้แก่ร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมที่บอเอารูปอานี้ทำไปตามอิทธิอำนาจของกิเลสายต่ำที่มันผลักดันลงไปให้ทำสัวยกตัวอย่างคือเขาเฮ็ดสมือเดี๋ยวนี้นะเขาเฮ็ดไปตามกิเลสแบมีเขาจะได้เฮ็ดด้วยสติปัญญาอย่างร้อยเปอร์เซน เขาเหตุไปตามอำนาจของกิเลสไฟต่ำมากดังนั้นพระองค์จึงว่าการทำธุระของพระองค์นั้นเป็นการทำทางจิตทางใจเลยได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสตายขายกิเลสหลุดตัด้งแต่นี้ไปแล้วเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพูนสอนบอกว่าเฮายาทุธรรมไปตามความคิดที่ไฟต่ำความคิดไฟต่ำคือความคิดจําพวกโมหะ โทษะโลภะอันนี้มันเป็นกิเลสพระพุทธเจ้าสอนจังสี่ดังนั้นเรามาตั้งสติบเนี่ยซ่อนวิปัสนายี่ให้ออกไปเคยแพร่วิธีทำวิปัสนาอย่างง่ายๆอึดใจเดียวเข้าใจโลดอึดใจเดียวเข้าใจโลดเอ้าทำไมมันง่ายปานนั้นนะท่นเพราะคนเรามันมีตามีหูมีจมูกมันมีดังมันงกัดได้จมูกไปว่าดังมีกายมีใจมีปากมีท้อง แล้วก็มีใจอีกเติมทีหนึเฮานีาน่จิตใจมันนึกคิดแน่จิตใจมันนึกคิดเฮานอนอยู่เมื่อคืนมันกับฝันแน่ให้เขาเข้าใจว่าความคิดจิตใจมันยู่งใส่เราทั้งเขาจะคอยดูจิตใจของเขาเมื่อได้ยินนังซีแล้วทุกคนอยู่นี้มีจิตมีใจแล้วก็มีรูปมีกายจิตใจมันคิดขึ้นมาวูบเดียวเขาเห็นโลดเขาเห็นจิตเห็นใจเขาอันนั้นแหละมันเป็นตัวบุญมันเป็นตัวกุศลแท้ เมื่อว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งสันืมอนี้ญายโยมได้มาทําบุญได้ว่ามาให้ขุมอุปธรรมบํารุงแก้เพื่อนภิกษุสมนนให้ไปทําธุรกิจอันนี้ฟื้นว่าได้บุญถ้าหากจเปียบอีกอย่างหนึง่งแต่บริเวณของจริงได้สมมติให้ฟังครั้งแรกตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตายไปแล้วมีภิกษุจํานวนหนึ่งวันสันจ้วงจากต่อพระธรรมวินัยมีภิกษุองค์เดียวนั่นแหละแล้วเพท่านก็นเลยตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาพิจารณาวาัดโอ้ ภิกษุองค์นี้เป็นปุถุชนบอกเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็สบายแลวอยากทำอยากพูดอยากคิดแต่แก็ได้ไปตามสอบใจว่าท่นแลน้วบัดนี้ภิกษุผู้เป็นประธานตื่นหัวหน้าก็เลยมาคิดอยู่ในใจบอได้กูต้องไปทำสังฆนานาว่าท่นก็เลยได้ตั้งสังฆ ญ, ญานาขึ้นมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมืองอินเดียคุณอันนี้ก็คล้ายๆ ค, ค, คือกันเพราะว่าศาสนาเมืองไทยเนี่ย สอนศาสนาพีกันหลายสอนศาสนาพามกันหลายสอนศาสนาเทวดาหลายน้อยคนนําเอาพุทธศาสนาออกมาสอนการมาสมมนามือ น, นี้และจะได้เอาพระออกไปเผยแผ่มือดีนั่นเพียงให้ไปเผยแผ่คําสอนของ พ, พ, พ, พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่ต้องเอาศ่าจะเอาศาสนาพีไปเผยแผ่และไม่ต้องเอาคําสอนของทางไปเผยแผ่และไม่ต้องเอาคําสอนของเทวดาไปเผยแผ่ เขาเป็นสาวพุทธต้องเผยแพทย์ศาสนาพุทธเขาเคยได้ยินบ่เขาเคยได้ยินบ่พระพระเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระพระเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เทวดาก็ไปไว้พระพุทธเจา้ามนุษย์ก็ไปไว้พระพุทธเจา้าเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าเขาต้องว้าวคำสอนของพระเจา้าเทวดาก็ต้องไว้เขาเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเจาเ้าเลวเด็เขาเว้ากันอยู่สู้มือว่าพุทธังสารนางคัจฉามิ ข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดไทยได้จริงทำมังสารังคัชาไมิข้าพระเจ้าถือเอาพระ้ารำเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดไทยได้จริงสังคังสารังคัชาไมิข้าพระเจ้าถือเอาผ้าสง์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดไทยได้จริงเราไปสามจบว่าพุติยมปิตาติยมปีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปตามลําดับอันนั เมื่อพูดจังซีแล้วกลับไปไหว้ผีอีกตื้มเนี่ยมันจีฮาเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งบัวชงสันน่ะไปดูลึกดูยามอีกตื้มเนี่ยเฮาซีเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งบัวชงสันน่ะแล้วกลับไปไหว้เทวดาอีกตื้มมันซีเม้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งบัวช่งสันน่ะมันบแเนนอันนั้นเพิ่นวาววาแเต่ปากเวาแเต่ปากจิตใจมันบวเอาเพราะมันบวเขาใจเพราะมันบวเขาใจเนื่องจากทำอย่างนี้ทํามาตั้งแต่ปู่ตางญาทติเขาพูน ทำมานานแล้วบ่มีผู้ใดมาเว้าให้พวกเขาฟังเขาก็เลยทำตามตามกันมาในหนังสือกลธรรมสูตรบอกไว้แล้วสิบข้อว่าย่าเสื้อถือเห็นว่าเขาพูดตามตามกันมาวะท่านข้อที่หนึ่งข้อที่สว่าย่าเสื้อถือเห็นว่าเขาทำตามตา ม, ตามกันมาวะท่านข้อที่สามเนี่ย่าเสื้อถือเห็นว่าเขาเล่าลือกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ววะท่าน ข้อที่สีนี้ย่าเสื้อถือว่าเขาอ้างเจ้กตำลับตำราวะท่านเพราะมันหลายครอบสิบข้อเอาข้อสุดท้ายทีเดียวบัดเนี่ยย่าเสื้อถือเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ของโต๊ะวะท่นเพลินหวาให้เสื้อถือบนไดบัดเนี่ยให้เสื้อถือโดยการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้เสื้อถือโดยการเจริญสติปัฏฐานสี่จำไว้ให้มันดีคำว่าสติปัฏฐานสี่นั่นตำราพุทธบอกวรกายญานุปัสนานวะท่น ให้พิจารณากายในกาย่ยเวทนาโนปัสนาให้พิจารณาเวทนาในเวทนาจิตตาโนปัสนาให้พิจารณาจิตในจิตธรรมานุปัสนาให้พิจนาธรรมในธรรมเ พ, พื่อนมาสัน้นอันนั้นเอาไว้สก่อนเอาไว้สก่อนตอนที่ผมเนื้อัตมาจะนํามาชี้แจงให้ญาโยมและเพื่อนภิกษสุสมเณรกําลังนั่งฟังอยู่ในขณะนี้นําไปใส่รถ ให้พิจารณากำหนดในอริยบททั้งสี่หนึ่งยืนสองนั่งสามนอนสี่ยางเมื่อมีสติกำหนดรู้อันนี้แหละข้อแรกข้อที่สองขยับลงไปในขณะเวลาเฮาลมหัวนอนลงก้อนที่จะหลับมีการเคลื่อนไหวคือพิบตาหายใจพิคียงตีงโตมันนึกมันคิดให้มีสติกำหนดรู้ในอริยบทย้อยๆนั่นเข้าไป คูเยียดเคลื่อนไหวเี่ยให้มีสติกำหนดลู่อันนี้ขยับเข้าไปอีกตื่มนอนหลับลงไปหรือมัอนบวชเอกสารให้มีสติกำหนดลู่จิตใจของเราที่กำลังนึกกำลังคิดนั่นแหละอันนี้มีอันนี้ส่มีคำคำหนึงที่อาตมาได้เทศแต่มเมื่อเป็นจัวนะการทำบุญให้ทานนั้นเอาเข้าไปทานให้สัตว์นิรันดร์ลอยเทือพันเทือ บ่มีอันิสงส่งลายเท่ากับทานให้คนผู้ที่ทุศิลคือผู้ลายไอ้ขโมยกําลังที่รักมักจกนั่นแหละเทื่อนึงพันวังกันและบันทิทานให้ผู้ลายไอ้ขโมยผู้ที่คี้รักมักจุกนั่นแหละลอยเทื่อยังบ่อมีบุญบ่มีอันิสงส์เท่ากับทานให้คนผู้ที่มีศิลเทื่อนึงกระชับพันวันทานให้คนที่มีศิลนั้นร้อยเทื่อยังบ่มีอันิสงส์เท่ากับทานให้สมณเณรเถื่อนึงกระชัน ทานให้สมเนรลอยเถืออย่างบ่ดีบ่มมีอานิสง์เท่ากับทานให้ภิกษุคือเจ้าหัวไอจัวโดยสมมติมานี้เถื่อหนึ่งทานให้เจ้าหัวไอจัวนี่ลอยเถืออยังบ่มมีอานิสงบ่มีได้บุญหลายเท่ากับทานให้พระโสดาบันบุคคลเถื่อนึงทานให้พระโสดาบันบุคคลลอยเถืออยังบ่มมีอานิสงเท่ากับทานให้พระสกิทาคาเถื่อนึงทานให้พระสกิทาคาลอยเถืออย่างบ่มีอานิสง์เท่ากับทานให้พระอนาคามีเทื่อนึง ทานให้พระอนาคามีนี่ลอยเถือยังโบมีอานิสงส์เท่ากับทานให้พระละหัน์สาวกของพระพเจ้าเถือหนึ่งทานให้พระละหันสาวกของพระเจ้านั้นลอยเถือยังโบมีอานิสงส์เท่ากับทานให้พระประเจก้าพุทธเถือหนึ่งทานให้พระประเจ้าพุทธลอยเถือยังโบมีอานิสงส์เท่ากับทานให้พระพระเจ้าเถือนึ่งวันสันเฮาต้องเข้าใจเฮาต้องเข้าใจเมื่อเฮาบอกเข้าใจแล้วเฮาจิถึงศาสนาหลงหลง ความหลงนั่นแหละมันเป็นยอดเป็นยอดคำว่าเป็นยอดจะไงความหลงผิดนั้นเพื่อนเป็นยอดโมหะเป็นยอดการทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราฟังนี่ก็คือกันที่ผมเลือตมานํามาเล่าให้ฟังมือนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนภิกษุสมเณีและญาติโยมโบตั้งใจฟังโบตั้งใจฟังผมเป็นผู้เวา้าตั้งใจเวา้า และผู้ฟังโมตั้งใจฟังสองอย่างนี้มันก็บรตรงกันอาตมาตั้งใจเว้าญาติโยโมยตั้งใจฟังซื่อว่าเป็นการทํำลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าโมหะความหลงผิดมันครอบงอมอยู่ขีดใจผู้ที่เว้านั้นโบได้ประโยชน์ผู้ที่ฟังก็บรได้ประโยชน์ตรงกันข้ามบันเนี่ยอาตมาก็ตั้งใจเอาคําสอนของพระเจ้ามาเล่าให้ฟังและญาติยโยมก็ตาม พิสูสมมสมณีก็ตามตั้งใจฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติอันนั้นซื่อว่ามีอานิสงส์มาอ้าวบัดนี้มาเว้ากันอีกเต่มเธอนึงการทำบุญให้ทานรักษาสินเจริญสมถะกรรมฐานก็ตามลอยครั้งพันหนนก็ตามอันนั้นซื่อว่าดีแล้วได้บุญแล้วเต่มาเฮามากำหนดให้มีสติรู้สภาวะการเคลื่อนไหวของเฮานี่ ยังมีอันนี้ส่งมากก็เฮาทําบุญให้ฐานรักษาจิตอันนั้นทำไมจึงว่ามีอันนี้ส่งมากเพราะเฮาเป็นคนบูลืมตัวเพราะเฮาเป็นคนบูลืมตัวเฮาทําตามแบบพระพุทธเจ้าบัดนี้เฮากําหนดอันนี้ได้แล้วเนี่ยสมมุติว่าสมมุติซื้อได้เนี่ยมีบุคคลใดคนหนึ่งไปนิมนต์อาพระพ์พระเจ้ามาเป็นประธานคื อ, อย่างเฮานั่งอยู่โดย๋ยวนี้นะกําลังสัมนากัเจี๊ อ, อกไปทํางานเมื่อนี้นะีน่ แล้วก็ไปดิมนเอาพระละหันสาวกมีอยู่ในโลกนี้มารวมกันนี่แล้วญาติโยมเลยให้ควรมุขธรรมบำบุงมาเลี้ยงมาดูอันนั้นตสอว่าได้บุญหลายแต่มีบุคคลหนึง่งกําหนดจิตใจนึกคิดได้มันคิดวูบเดี่ยวหู้จักโหลดยังมีอา น, นิสงส์มากกลัวท่ทานให้พระพุทธเจ้าไปอีกถึงเธอหนึ่งทําทไมว่ามีอา น, นิสงส์มากกวลัวทำนะ ท่านให้พระราหันสาวกให้พระพุทธเจ้าข่าวนั้นมากก็จะไหนเพราะเขาได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าเขาเห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตของเขานี่แหละซื่อว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าซื่อว่าเขาได้ทําตามพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นยอดบุญย อ, ยอดกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพันสอนจังซันเพันสอนจังซันให้เขาเข้าใจจังซีเมื่อเขาเข้าใจจังซีแล้วเขาสิทำหรือปฏิบัติตามคําสอนของพระพเจ้าอย่างถูกต้อง วิปัสนาจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญทุกคนทําได้วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งต่างเก่าลวงภาวะเดิมคําว่าวิปัสนาซื่อๆนั้นโบแมนเล้โบเมนเล้วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้ ง, ส ง, สงแล้วก็ต่างเก่าแล้วก็ล่วงภาวะเดิมเจ้ากี้เขาเคยไหว้ผีเขาเลิกการไหว้ผีแต่ก้อนเขาเคยดูลึกดูยามเขาเลิกการดูลึกดูยามแต่ก้อนเขาเคยไหว้เทวดาเขาเลิกไหว้เทวดา แต่ก่นเราเคยสู้บูรี่เคยแข็วมากเคยกินเล้าเคยเล่นการพานันเขาเห็นตามคําสอนของเร็วเลิกสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บด่ดีสิ่งเลวร้ายทําให้ชีวิตสกปรกเศร้าหมองเนี่ยเขาจะได้เห็นไปอย่างซีเขาเลิกได้อันนี้แปลว่าวิปัสนาเห็นแก่กต่างเก่าลวงภาวะเดิมคือบุให้คือเก่าคือบุให้คือเก่าอันบุให้คือเก่านะเพื่อนบอกลวง